รหว่างที่เชิดฐาจ้องสมดุลจากกล้องอีกครั้งตามที่ผ่านใหญ่บอกดารินก็ร้องแหลมออกมาตายลูกช้างตัวนั้นรู้สึกว่าจะขาถลําตกลงไปในซอกหินนี่แนะ่มันพยายามดึงใหญ่แล้วอีกสองตัวนั้นช่วยกันดันใหญ่หน่าสงสารจังไอเสือใจร้ายก็พยายามจะบุกเข้าเขย่ํากัดลูกช้างที่ขาติดซอกหินตัวนั้นตัวเดียวเลือดโซมหลังทีเดียวทํายังไงดีละ่ะสงสารลูกช้างตัวนั้นจัง มันชู ง, งวงร้องใหญ่แล้วแม่มันก็กระสับกระส่ายท่าทางเหมือนจะเป็นบ้างั้นแหละทุกคนก็เห็นชัดและเข้าใจเหตุการณ์ได้ในทันทีนั้นมีลูกช้างตัวหนึ่งคงจะก้าพลาดขาหน้าข้างหนึ่งถลัมพัดลงไปในซอกหินแคบแล้วดึงไม่ขึ้นโจ้เส้อหิวฝูงนั้นคงจะรู้แกวบางทีจะเป็นเพราะพวกมันคอยสะกดตามหลังมาตลอดเวลาแล้วจึงถือโอกาสระดมกันโจมตีเพื่อไล่ตัวอื่นๆให้หนีไปเสีย พวกมันจะได้ลูกช้างที่ขาติดซ่อมหินเป็นเหยื่ออันโอชะต่อไปเจตนาของมันก็สอชัดเพราะพวกมันไม่สนใจกับช้างตัวอื่นๆหากแต่จ้องหาโอกาสจะเข้าไปรุมกัดตัวที่ขาติดตัวเดียวเท่านั้นและขณะนี้กําลังหลอกล่อฝ่าวงล้อมของช้างใหญ่ๆ อ, อยู่อย่างคลุกคลีโกลาหลุนสิ่งที่มนุษย์จ้องมองดูด้วยความตื้นตันในขณะนี้ก็คือความสามัคคีรักพวกพรองของช้างป่าโขงนั้น นางแม่มันไม่มีปัญหามันต้องคอยห่วงเฝ้าป้องกันลูกของมันแน่สำหรับภาวะอับจนที่มองเห็นเสือจะกัดกินลูกของมันเช่นนี้แต่เจ้าเพื่อนร่วมโขลงอื่นๆนั่นสิน้ำใจของมันน่าสรรเสริญใช่น้อยเพราะแต่ละตัวก็ยืนหยัดล้อมวงลูกช้างไว้เป็นกำแพงคอยปะทะยันหน้าเสือไว้ไม่มีตัวไหนพระหนี่เอาตัวรอดไปเลยลูกช้างตัวนั้นเห็นจะเสร็จแน่ไม่มีทางหรอก เสือจ้องกัดมันตัวเดียวเท่านั้นมารู้ว่าไอ้ตัวนั้นคือเหยื่อที่หวานคอแร้งของมันแล้วจะยังไงเสียก็ขาติดซอกหินไปไม่ได้แน่ชายยันครางออกมาใครจะยังไงก็ช่างฉันขอยิงเสือช่วยลูกช้างตัวนั้นก่อนละดาเรียนพูดโดยเร็วประทับปืนขึ้นหมายเดิงไปยังไอค้ครงเจ้าเล่ยตัวหนึ่งซึ่งบัดนี้ปีนขึ้นไปบนก้อนหินสูงเพื่อจะหาโอกาสการะโจนลงมาฝังเขี้ยวเล็บลงบนก้านคอของลูกช้าง ตัวที่ติดลมตามวิธีอัชญชันนาดของมันแต่ก่อนที่หมอมรจวงหญิงคนสวยจะทันสอดนิ้วเข้าไปในไก่พรานใหญ่ก็คว้าวเขามือไว้อย่าครับคุณหญิงถอยออกไปพ้นหล่อนตวาดแหวะผักโอกเขาแต่ระพินจับไรเฟิลของหล่อนไว้มันสรรั่นศีรษะช้าช้ายิ้มให้ถ้าคุณหญิงอยากจะช่วยลูกช้างตัวนั้นต้องไม่ทําให้ปืนรั่นขึ้นเลยแม้แต่นัดเดียวครับ ถ้ามันตูมขึ้นเมื่อไหล่ซื้อจะตื่นหนีไปทางหนึ่งช้างโขงนั้นก็จะเปิดหนีไปอีกทางหนึ่งส่วนลูกช้างตัวนั้นก็ขาติดซ้อขินอยู่เช่นเดิมไปไม่ได้พวกเราทั้งหกคนนี้เห็นจะไม่มีปัญญาแบกให้มันขึ้นมาจากขาติดซ้อขินได้หรอกครับนอกจากจะช่วยมันให้พ้นทรมานได้วิธีเดียวเท่านั้นคือยิงทิ้งหล่อนชะงักลืมตาโปรงถามเสียงสัน่นโธ่แล้วเราจะทํายังไงล่ะ โปรยห่วงเลยครับพวกมันทั้งโขงไม่ยอมทิ้งลูกช้างตัวนั้นเป็นอันขาดเห็นไหมครับไอเตัวใหญ่หญสองสตัวนั่นกําลังช่วยกันเอาหัวดันหินก้อนนั้นแล้วอีกสักประเดี๋ยวหินก็คงจะขยับเลื่อนออกแล้วลูกช้างก็หลุดออกมาได้เองเสือมันยังทําอะไรลูกช้างตัวนั้นไม่ถนัดหรอกเพราะแม่ประหลัดกับพวกช้างงาคอยป้องกันอยู่จริงตามที่ระพินพูดทุกอย่างช้างโขงนั้นแบ่งกําลังกันทําหน้าที่อย่างน่าชมยิ่ง พวกหนึ่งระดมกําลังกันเข้ามาเสยงัดก้อนหินอันเป็นต้นเหตุที่ขาของลูกช้างลงไปติดอยู่อีกพวกคอยทําหน้าที่คุ้มกันประท้านหน้าเสือไว้แล้วทันทีนั้นทุกคนก็มองด้วยสายตาอันตื่นตะลึงเสือร้ายตัวหนึ่งกระโจนขึ้นไปบนคอของลูกช้างที่กําลังชูงงวงร้องอยู่แต่พริบตาเดียวก็ถูกนางแม่ปลาดที่คอยทีอยู่แล้วใช้งวงฟาดโดยแรงกระทบตัวเสืออย่างจางเสียงดังพรากสนั่น ร่างของเสือหลุดปลิวจากหลังลูกของมันลงไปกระเดวดิ้นอยู่กับพื้นหินตอนหนึ่งมันวิ่งปราดเข้าไปยกเท้ากระทืบโดยไม่ยอมเปิดโอกาสให้เสือลุกขึ้นมาได้อีกเสียงเสือร้องออกมาได้คำเดียวก็นอนแน่นิ่งแม่ช้างยํำเท้าอันใหญ่โตของมันลงไปบนซากเสือโดยไม่ต้องนับอย่างเจ็บแค้นสาหัสจนแหลกเหลวไม่มีชิ้นดีตัวอื่นๆก็วิ่งเข้ามารวมช่วยฉีกกระชากด้วยและในเวลาเดียวกัน ช้า ง, ง่าตัวหนึ่งก็เตะเสือที่กระโจนเขาใส่มันผงะถอยรอยคว้างออกไปกระทบก้อนหินใหญ่ตะเกียกตะกายลุกขึ้นได้ก็เห่นอ้าร้องร้านไปยืนตะกุยฝุ่นตลบคุมเชิงอยู่ห่างๆไม่อาจจะเข้ามาอีกดารินตบมือกระโดดร้องแหลมออกมาอย่างลืมตัวสู้มาันาน่าอย่างงาั้นดีชัยจริงทั้งหมดตื่นเต้นต่อเหตุการณ์เบื้องล่างยังไม่พอขณะนี้ต้องหัวร้อนอีกท่าทีของดาริน แต่เสียงของกลุ่ ม, มนุษย์ที่เฝ้าดูเป็นประจักษ์พยานในการต่อสู้ดุดเดือดระหว่างพวกมันทั้งสองฝ่ายหาได้ละแค่ระคายหรือเป็นผลกระทบกระเทือนไปถึงฉาติตรุมบอนนองเลือดของมันไม่สัตว์ทั้งสองพวกยังคงฟาดฟันกันอย่างดุร้ายกระหายชีวิตต่อไปฝ่ายหนึ่งต้องการเหยื่ออีกฝ่ายหนึ่งป้องกันตัวอึดใจใหญ่ต่อมาหินใหญ่ขนาดเจ็ดแตันก้อนนั้นก็ไหวขยื่อนออกเพราะกําลังงัดมหาศาลของพญาโคจสารใหญ่สามตัว ที่ระดมแรงถูกจังหวะพร้อมกันลูกช้างดึงขาออกมาจากซอกที่มันติดอยู่ได้พร้อมกับชู ง, งวงร้องเสียงยาวแม่ของมันวิ่งเข้ามาดันหลังลูกผลักให้ออกวิ่งไปกลางโขงที่รอยร้อมอยู่มันเดินขากระเพกไปข้างหนึ่งอย่างน่าสงสารแต่ก็ได้รับความคุ้มครองปกปักเป็นอย่างดีช้างโขงนั้นเริ่มออกเดินอย่างรีบด่วนไปตามช่องเขาโดยมีแม่แปรตคุมอยู่ท้ายขบวน และพวกเสือหิวที่ผิดหวังไล่กวดขู่คำรามกระชัน้นชิดไปด้วยและโดยที่ใครคาดคิดไปไม่ถึงดารินผู้รอคอยจังหวะนี้อยู่ก่อนแล้ววิ่งเข้ามากระชากจุด37มเจ็้าแมกนัมไปจากมือของแง่ทรายเพราะมันเป็นไรเฟิลเดี่ยวขนาดเล็กที่สุดเท่าที่คณะจะมีอยู่ในขณะนั้นซึ่งอํานวยผลความแม่นยําในการยิงระยะไกลเหนือกว่าจุด470อันเป็นปืนแฝดประจํามือของหลอนแล้วยกขึ้นประทับบ่าก่อนที่ทุกคนจะทันรู้ตัว กสุนฮอนแรนแอนฮอนแรนก็แผดระเบิดขึ้นสะเทือนหุบเขารายพาดก่อนตัวที่เห็นชัดที่สุดซึ่งขณะนี้กำลังเอาสองตีนหลังตะกุยฝุ่นฟุ้งอยู่ก็โจรโฮขึ้นไปบนอากาศสุดช่วงตัวแล้วม้วนกลับลงมาแทกเป็นวงกลมหยุบกับพื้นดินอีกสองสามครั้งก็นอนตะแคงเงียบกลิบมันเป็นการยิงที่แม่นยาที่สุดนี่แนเสียงหลอนคำรามออกมาบนหัวเราะดุดุดุยงสมใจ กระชากลุกเลือนสนัดปลอกกระเด็นลงไปกลิ้งอยู่กับพื้นส่งควันกลุ่นช้างโขงนั้นวิ่งเตลิดป่าแตกไปเบื้องหน้าคลึกโครมส่วนฝูงเสือก็เพ็นไปคนละทิศทางเพราะกำปนาดปืนนัดนั้นร้ายจริงน้อยเออแนะ่นี่จ้องยิงเสือจนได้ชัยยานหันมาลืมตาโตอ้ปาปากค้างดาลินหัวเราะแค้นยังน้อยไปนะใหญ่จะยิงมันให้หมดฝูงนั้นเสียได้ซ้าเสียดายที่มีโอกาสยิงได้ตัวเดียวเท่านั้น ไอชาดเสือใจร้ายทารุณชั่มัดคราวนี้เห็นที่ไหนเป็นเก็บไม่ให้เหลื อ, อยัยเห็นอีกก็แล้วกันทุกคนหัวเราะมีความเจ็บแค้นแทนลูกช้างตัวนั้นของรอนเชิดขาถอนใจเฮือกออกมาเหตุการณ์มันกลับตะปัาสิ้นดีเล่นเอาใจคอหายหมดทีแรกอกสั่นขวัญแขวะนึกว่าต้องทําสงครามกับช้างเสร็จแล้วในที่สุดกลายเป็นว่ามาภาวนาจะเอาใจช่วยช้างไปเสียฉิบเกิดมาก็เพิ่งเคยเห็นเป็นขวัญตาคราวนี้แหละ เสือรวมหัวล้อมช้างทั้งโขงเอากรมันสิมันไม่ได้คิดที่จะล้อเล่นงานช้างทั้งโขงหรอกครับแต่มันจ้องจะเอาลูกช้างตัวเดียวเท่านั้นแล้วก็หาวิธีหลอกล่ อ, อตำเล่เหลี่ยมต่างๆของมันบังเอิญลูกช้างตัวนั้นขาติดไปไม่ได้ก็เลยยิ่งเป็นเป้าหมายของมันใหญ่โชคดีเหลือเกินที่พวกช้างเหมือนสามไม่ขีกันไม่งั้นลูกช้างตัวนั้นก็เสร็จแล้วก็โชคดีสําหรับพวกมันอีกอย่างหนึ่งด้วยที่มันไม่ใช่โขงอันธภานของไอแ้แหวง และผนบอกปนหัวร้อเบาๆดึงผ้าของมาขึ้นมาซับเหงือ่อเขาเองก็เพิ่งจะคลายความเครียดของประสาทลงถ้าเป็นโขลงไอ้แหวง่งก็ไล่เหยียบเสือวิ่งแจ้นไปแล้วแทนที่จะให้เสือล้อมทำกำแพงอยู่อย่างนั้นชายยันว่าพร้อมกับยักไหลยิ้มออกมาจืดๆแต่เกิดหัวร้อแหะๆออกมาอ่อยๆว่าน่าเสียดายช้างงาสี่ตัวนั่นงางามเสียด้วยดาลีนหันขวับไปโดยเร็วชี้หน้า บอกล่าวสิก่อนนะตะเกิดเราไมา่จะไม่ยิงช้างโดยไม่จำเป็นเป็นอันขาดนอกจากขโขงไอแ้แหวงเท่านั้นศัตรูของเราที่เป็นช้างก็เพียงไอแ้แหวงเท่านั้นแต่เสือไม่ห้ามเลยเจอที่ไหนเก็บให้หมดเกิดยิ้มแห้งๆยิงสาวกระแทกลูกเรื่องจุดสามหส่งกระสุนขึ้นลํากล้องแทนนัดที่ยิงไปแล้วพลางโยนยื่นไปให้แง่ทา ย, ายพร้อมกับบอกว่าขึ้นลํากล้องไว้แล้วนะแต่ลดนก ถ้าจะยิงขยับลูกเลื่อนก็ใช้ดิการได้เลยจะให้ดีแล้วก็ยัดลูกสำรองใส่กระสุนไว้ให้เต็มตามเดิมด้วยถือจุดสอยู่ในมือแต่กลับไปเอาจุดสเจหของแง่ทรายมายิงพิลึกแท้ชายันว่าหล่อนหันไปค้อนกลัวมันจะผิดนะสี่ไกลออกอย่างนั้นแต่ดันฟลุกถูกเขาได้ยังไงก็ไม่รู้สงสัยแรงใจที่คิดจะช่วยลูกช้างตัวนั้นเข้ามาช่วยเรานะ่ใจร้ายมากนะ ยืนดูเห็นเป็นของสนุกไปเลยฉันสงสารมันแทบจะเป็นบ้าตายเห็นที่คอมันเลือดโสมพระเขี่ยวเล็บเสือที่รุมกันกัดไม่รู้จะไปตายกลางทางหรือเปล่าเพื่อนชายหัวเราะพยักหน้าอยึกหยึกตวัดปืนขึ้นสะพายบาเอาเหอะแม่คนใจบุญกุศนที่คิดว่าจะช่วยลูกช้างตัวนั้นคงจะช่วยไม่ให้ช้างตัวไหนมันเหยียบเธอแบนในอนาคตข้างหน้าฉันขอเอาภาวนาเอาใจช่วยด้วยดาดินคว้าริกบี้ที่วางผิด ก, ก้อนหินขึ้นมา ชายยันก็เดินเลี่ยงออกไปให้พ้นระยะความยาวของไรเฟิลกระบอกนั้นทั้งหมดเดินตัดด่านอันเท่าส5้าองศาและหักเป็นข้อศอกราวกับทางรถยนต์ไต่ขาวที่คนมาทำไว้ตรงไปยังช่องขาตำแหน่งยุทธภูมิระหว่างช้างโขงกับฝูงเสือเมื่อสักครู่นี้ฝุ่นอันเกิดจากการฟัดฟาดระหว่างสัตว์ฝูงสองชนิดยังรอยอยู่จางจางเสือฝูงนั้นจะมีอยู่กี่ตัวก็ตาม ตัวหนึ่งกลายเป็นซ่ากแกรกเหลวจำละจสารรูปไม่ได้นอกจากหนังอันลายพร้อยของมันอันเนื่องมาจากบาดทุกกรรมของแม่ช้างผู้สู้อย่างถวายชีวิตและตัวหนึ่งถูกกระสุนไรเฟิลของดารินตัดก้านคอพอดีพรานใหญ่พอเห็นบาดแผลที่จับเป้าหมายจุดตายราวกับจับวางเช่นนั้นก็เลิกคิ้วมองไปทางคนยิงคอต่อพอดีครับดารินบอกหน้าเฉยว่า เล็งหางแท้แท้ทีเดียวไพร่ลงมาถูกคอตั้งแต่ยิงปืนมาคราวนี้เร็วที่สุดเกิดพาซื้อทำหน้าตาตื่นถามมาว่านายหญิงเลงยิงหางมันทำไมครับยิงหางไม่ตายดอกก็ไม่อยากให้มันตายนี่สิอยากให้มันหางด้วนไปมันจะได้เจ็บทรมานไปสีบ้างคราวหลังมันจะได้กลายเป็นไอ้ด้วนให้พรานใหญ่ของเกิดตามกัดเอ้ยตามล่ามันอีกยังไงล่ะเหมือนเหมือนกับคราวไอ้กุดนะ่ะ ทุกคนอดหุเราะออกมาไม่ได้นอกจากเกิดคนเดียวที่กระพริบตาอยู่ปริบๆเพราะความซื่อและในที่สุดก็เลยยิ้มแย่ๆผมสงสัยหรือเกินชายันพูดกวาดสายตาดูบริเวณที่เสือกับช้างต่อสู้กันเมื่อสักครู่นี้ไปรอบๆช้างงาส4มสี่ตัวในกลุ่มของมันดูเหมือนจะทำอะไรเสือแทบไม่ได้เลยมัวแต่เงอะ ง, งะไม่เป็นท่า ม้วนงวงเอาไปจุกไว้ที่ปากคอยเอางาไล่เสือแทงเสืออย่างเดียวแต่ก็ไม่ถูกสักทีทำไมมันไม่ใช้งวงฟาดสู้กับเสือล่ะทั้งทงที่งวงก็เป็นอาวุธยาวใช้ได้คล่องแคล่วกว่าอดีตนายทหารปืนใหญ่ซึ่งกำลังจะเป็นนักร า, าสัตว์ใหญ่ที่มือดีขึ้นผิดกว่าเมื่อครั้งออกเดินทางใหม่ๆอย่างลิบรับมีความสังเกตที่รอบคอบดีเหมือนกันก็ผินยิ้มแล้วอธิบายให้ทราบว่า ช้างมันถนอมงวงของมันมากครับเพราะงวงเป็นส่วนบอบบางที่สุดและเป็นอวัยวะที่สาคัญที่สุดในการหาอาหารของมันเพราะฉะนั้นในการต่อสู้กับศัตรูถ้าไม่จําเป็นจริงๆแล้วมันจะไม่พยายามเอางวงของมันเป็นอาวุธเป็นอันขาดเราจึงเห็นมันม้วนงวงเก็บไว้และพยายามจะใช้งานอย่างเดียวเท่านั้นถ้า ง, งวงได้รับบาดเจ็บมันก็หาอาหารไม่ได้น่าเห็นใจมันเหมือนกันอ๋อย่างงั้นเองหรอกหรือมิน่าเหล่า เป็นใจผมถ้าผมเป็นช้างผมองวงไล่ฟาดสืออุตรุดไปหมดแล้วฟาดซ้ า, ายฟาดขวาไปเดี๋ยวก็ถูกเสือเองไม่อยากรู้ว่างวงเป็นจุดอ่อนของมันถ้ามันถนอมมากสงสัยตั้งแต่เห็นแล้วตามปกติแล้วเสือกับช้างนี่ใครกลัวกลัวใครกันแน่ดาดินถามมาบ้างรอยลอยพรานใหญ่คงยิ้มยิ้มอยู่เช่นนั้นหล่อนไม่ได้มองมาทางเขาเขาก็เลยเฉยเสีย เชษฐาเป็นคนตอบความสงสัยของน้องสาวมาแทนให้ว่าเสือนะมันไม่กลัวอะไรสักอย่างสมแล้วที่จะได้ชื่อว่าเป็นเจ้าป่าคิดแต่จะจับเขากินเป็นอาหารทั้งนั้นแทบจะไม่เลือกหน้าดีเดียวช้างไม่ได้กลิ่นเสือส่วนมากก็มักจะบ่ายหนีนอกจากโจรตัวจริงๆเท่านั้นยกเว้นช้างโทนหรือช้างเกเรที่มีความดุเป็นพิเศษและโดยทั่วๆไปแล้วเสือก็มักจะคอยจ้องกัดกินช้างตัวที่อ่อนแอที่สุด เป็นต้นว่าช้างลำบากจนตายหรือลูกช้างเล็กๆส่วนช้างใหญ่เสียทีเดียวมันก็ไม่เสี่ยงเหมือนกันแล้วมันจะกัดกินลูกช้างได้ยังไงคะในเมื่อมีแม่ของมันคอยระวังป้องกันอยู่มันจะคอยย่องตามโขงช้างที่มีลูกอ่อนเล็กๆอย่างที่เห็นนี่แหละพอได้โอกาสก็จ้องกัดลูกช้างให้ได้รับบาดเจ็บพอแม่เข้าไล่มันก็หลบฉากเสียได้ทีก็กัดลูกช้างอีก แม่ช้างระวังไม่ทานถูกกัดบ่อยๆเข้าลูกช้างก็ตายพอลูกช้างตายแล้วแม่ช้างเฝ้าซากลูกอยู่ไม่ได้นานนักก็ต้องผลักไปมันก็ย่อมมากินซากลูกช้างได้อย่างสบายนี่คือวิธีอันแสนฉลาดของเสือวิธีหาเสือโดยเร่เลี่ยวของมันยังมีอีกมากนะักชนิดที่คนคิดไปไม่ถึงทีเดียวต้องยิงทิ้งให้หมดเสียงดาลินพึมพำเหมือนจะพูดกับตนเอง แต่พี่ชายยิ้มเยือกเย็นเอื้อมมือมาตบเบาๆที่ไหล่พร้อมกับพูดเรียบๆว่าเสือเป็นสัตว์สีชั้นสูงของป่าป่าไหนไม่มีเสือป่านั้นก็ยังไม่เรียกว่าป่าเพราะฉะนั้นอย่าไปตั้งแง่ยพยาบาทอาฆาตอะไรมันนักเลยธรรมชาติของสัตว์มันเป็นอย่างนั้นเราควรจะฆ่ามันเฉพาะเมื่อเกิดความจําเป็นขึ้นเท่านั้นไม่ใช่คิดจะทําลายล้างมันให้สิ้นพันธุ์อย่างที่น้อยตั้งใจไว้น้องสาวนิ่งไปไม่กล่าวเช่นไรอีก บังเอิญมองไปทางพรานใหญ่เห็นเขาจ้องอมยิ้มอยู่ก่อนแล้วก็เลยผ่านค้อนให้คณะเดินทางไม่เสียเวลาอยู่ที่บริเวณนั้นนานนักบ่ายหน้าออกเดินทางต่อไปอย่างเร่งรุดแข่งกับเวลาโดยการตามหลังทิศ ท, ทางที่ช้างโขงนั้นตกใจเสียงปืนวิ่งป่าราบเป็นทางไปและพินออกนำเรี้วไปเช่นเคยโดยปิดท้ายด้วยแง่ทรายซึ่งมักจะทําหน้าที่เป็นกองระวังหลังในทุกครั้งของการเดินทางตะวันต่ําลงทุกขณะ หนทางเดินคงอยู่ในแนวสันเขาตามเดิมประเดี๋ยวตายขึ้นสูงผ่านยอดเขาลูกหนึ่งประเดี๋ยวเทราลงไปในซอหุบเขาอีกรูปหนึ่งครั้งแล้วครั้งเล่าบางขณะก็ผ่านไปบนยอดเขาที่มีติดก้อนหินร้วนๆป่าจากต้นไม้และบางขณะก็ผ่านแอ่งน้ำขนาดใหญ่ราวกับทะเลสาบที่อุดมไปด้วยพวกว่านนาน า, นาชนิดและก้อนหินหลสีงดงามชวนอัศจรรย์เหมือนแดนสวรรค์ในนิมิต ชายยานผู้มีอารมณ์ขันอยู่ตลอดเวลาถึงกับเอ่ยปากทำลายความเงียบขรึมระหว่างก้มหน้าก้มตาเดินของทุกคนขึ้นมาว่าสงสัยจะมาถึงเขาไกลลาดเจอเอาสาบโบกขรณีเข้าให้เสียแล้วก็คล้ายมากเพียงแต่มองไม่เห็นเหลากินนอนลงมาเล่นน้ำให้ดูเท่านั้นเชษฐาช่วยสร้างบรรยากาศคืนเคร่งขึ้นแล้วพินอธิบายทราบว่า สถานที่นี้เป็นต้นแหล่งของทาง น, น้ําตกที่ไหลผ่านห้วยแม่เลงและชี้ข้ามลูกเขาไปทางตะวันออกเฉียงเหนือที่เห็นเขียวครึ้มอยู่ยันขอบเมฆริบๆข้ามเขาใหญ่ลูกนั้นลงไปแล้วนั่นแหละครับเราจะลงป่าวายเชื่อว่าคงพบกองกียนที่นั่นโอ้โหอีกริบเลยเดินกันขาหลุดมะลืนนี้สักใบๆก็เห็นจะถึงหรอกครับพรุ่งนี้เราจะตัดเป็นแนวเส้นตรงลงแอ่งกระทะข้างล่างนี้ ป่าทึบหน่อยแต่ก็เป็นทางลัดถ้าจะเอาเดินสบายตามสันเขานี่เรื่อยไปมันเป็นทางอ้อมเดินการเป็นอาทิตย์กว่าจะถึงขณะนั้นเป็นเวลาห้าโมงเศษแดดสีทองอาร่ามเรืองสาดลงมาอาภูมิภาพรอบด้านแตะการตามันดูเหมือนจะเป็นวันแรกนับตั้งแต่ออกเดินทางมาที่ทุกคนมองเห็นแดดยามเย็นเช่นนี้เพราะการขึ้นมาอยู่บนที่สูงและป่าจากเกลียมขาวหรือต้นไม้เป็นม่านอัพราง ทั้งหมดเดินรอไปตามขอบสระอันกว้างใหญ่ตัดไปทางตะวันออกไม่มีวี่แววของสัตว์ใหญ่ใดๆให้เห็นอีกเลยนับตั้งแต่เหยียบย่างขึ้นมาบนยอดเขาอันมีลักษณะเหมือนกลวยฝาชีลูกนี้นอกจากพวกกระรอกซึ่งมีสีขาวเผือกล้วนริมสระอีกด้านหนึ่งเต็มไปด้วยฝูงไก่ป่าพยาอและนกแก้วโนลีสีสดกาลังเดินกรีดกายลงกินน้าเป็นฝูงใหญ่ดูพราวตาดาดินถึงกับอุทานเสียงแหลมใสออกมา เมื่อใช้กล้องส่องทางไกลสำรวจพบมันเป็นธรรมชาติที่สดใสตะการตาน่ารักอะไรเช่นนั้นซึ่งหล่อนไม่เคยพบเห็นมาก่อนแต่ช้ยยันบนที่ไม่ได้มีปืนลูกซองติดมาด้วยใกล้ข้ามเต็มทีแล้วเราไม่หาที่นอนกันแถวแถวสะบกขรนีนี่หรือคืนนี้พระจันทร์เต็มดวงสีด้วยทิวทัศน์มันคงจะเป็นเมืองแมนแดนสวรรค์ทีเดียวแล้วก็ไม่ต้องมานั่งคอยระวังสัตว์ร้ายอยู่เพราะปลอดดีเหลือเกิน ชายยันแสดงความเห็นขึ้นแต่ระพินซานศีสะไม่เหมาะหรอกครับบนนี้เป็นที่โล่งป่าจากกำบังแล้วก็บนปลายยอดเขาที่สูงสุดของเทือกนี้ตกกลางคืนลมจะพัดแรงต่อให้สุมไฟรอบตัวก็คงทนกันไม่ไหวแน่หนาวตายทีเดียวไม่มีใครคัดค้านข้อแนะนำของเจ้าถิน่นผู้ชำนาญต่อภูมิประเทศเช่นเขาพรานนาทางย่อมมีเหตุผลที่เชื่อได้เสมอก่อนข้ามเล็กน้อย โดยเดินกันอย่างเร่งดุดอีกครึ่งชั่วโมงจอมพรานก็นําลงสู่หุบเขาตอนหนึ่งซึ่งอุดมไปด้วยต้นสักบ่ายหน้าเข้าไปในชเชิงถ้ำซึ่งเต็มไปด้วยหินงอกหินย้อยราวกับมีมือเทพมานิริมิตรไว้ชนิดเจนกับรูทางดีอยู่แล้วจัดการปรองสัมภาระข้าวของลงยึดเป็นที่พักนอนสําหรับคืนนี้ขณะนายจ้างทุกคนเต็มไปด้วยความพอใจในชัยภูมิยิ่งแต่แล้วก็อดประหลาดใจไม่ได้เมื่อมองเห็นกองไฟเก่าๆ เ, เ, เป็นรอยก่อทิ้งไว้ แสดงให้เห็นว่าเคยมีคนมาพักก่อนแล้วซึ่งรพีนบอกให้ทราบว่าเป็นพวกนักหาสมุนไพรที่รอนแรมขึ้นมาบนนี้ประมาณสักเดือนเศษมาแล้วบนนี้เราจะหนาวยิ่งกว่าคืนไหนๆที่พบมาแล้วแม้แต่ที่ห้วยแม่เริงพรานใหญ่บอกให้ทราบเร่วงหน้าหนาวไม่กลัวเพราะเรายังอาศัยกองไฟได้ก่อให้มันกองใหญ่ๆเอาไว้ก็แล้วกันสำคัญอย่าให้มีอะไรมาทำให้ต้องตะลีตะเหลือกตื่นขึ้นกลางดึก เหมือนอย่างที่เคยถูกกันบ่อยๆชัยยันว่าเห็นจะไม่มีอะไรหรอกครับเพราะที่นี่เป็นที่ปลอดภัยที่สุดแง่าสายกับเกิดขนฝืนมากองสำรองไว้มากมายและระหว่างการหุงหาอาหารข้าหนุ่มกระเรียงพเนจรก็เรียบเคียงเข้ามาซุบซิบอะไรอยู่กับพรานใหญ่ดาลินสังเกตเห็นก็สงสัยเดินเฉียดเข้ามามีอะไรหรือแง่าสายซุบซิบอะไรกับพรานใหญ่แง่าสายไม่ตอบ เพียงแต่ยิ้มยิงฟันและพินจึงบอกเขามาแทนว่าแ mm. งยสายมาขออนุญาตไปตีพึ่งครับหมายถึงว่าไปเอารังพึ่งน่ะไกลไหมเขาบอกว่าอยู่หลังถ้านี่เองจะเอามันมาได้ยังไงพึ่งมันไม่ต่อยเอาแย่หรือไม่ต้องห่วงหรอกครับในข้อ น, นั้นก็มีวิธีของเขาพวกกระเรี่ยงมีวิธีเอารังพึ่งชํานาดีทุกคนชายยันได้ยินก็ร้องบอกมาอย่างกระตือรือร้นว่า วิเศษสุดยอดถ้าหากว่าเราได้น้ำพึ่งมากินกันเชิดถาสอบซักถามาสองสามคำแล้วก็พยักหน้าอนุญาตจะไปก็ไปแต่รีบไปรีบมานะเอาเกิดไปเป็นเพื่อนด้วยแง่ท า, ายหันไปมองดูเกิดและเหมือนจะนัดกันไว้ก่อนแล้วทั้งสองคว้าไหล่เฟื่อนขึ้นสะพายไหล่หยิบมีดเน็บและย่ามพร้อมกับไฟฉายไปจําตัวพากันเดินรับมุมก้อนหินหายไปอย่างรวดเร็วปล่อยหน้าที่ในการหุงหาไว้ให้กับพรานใหญ่ตามลําพัง ความมืดโรยตัวลงมาปกคลุมปีกขาวด้านนั้นอย่างรวดเร็วในทันทีที่ดวงตะวันจมหายไปยังป่าสูงเบื้องล่างในที่สุดทุกสิ่งทุกอย่างรอบด้านก็ถูกกลืนหายไปในม่านราตรีสีดำสนิทนอกจากเปลวไฟสีแดงที่สว่างวอมแหวมอยู่ในกองที่ก่อไว้เป็นแนวสกัดปากทางเข้าถ้ำสะท้อนต้องผนังหินงอกหินย้อยมองห็นเรื่มพลายเป็นเงาตะคุม่มหน้าพิศวง และอาจเห็นเป็นภาพเคลื่อนไหวต่างๆได้สุดแล้วแต่มโนภาพจะรกร้อนเสียงลมบนอันเย็นเฉียบพัดปะทะแก่งโขดหินะซอกโปร่งคลางอยู่วีดวิวไม่ขาดระยะรอบด้านทุกคนเริ่มรู้สึกถึงความหนาวเย็นจับคู่วหัวใจทันทีที่มืดสนิทและไม่มีสิ่งใดจะช่วยได้นอกจากกองไฟผิงเท่านั้นต่างรับประทานอาหารซึ่งมีเพียงข้าวร้อนๆและเนื้อแห้งย่างพอให้หนักกระเพาะไปช่วมือ้อ แล้วนั่งพิงไฟสนทนาการอยู่ในเขตที่พักรอคอยการกลับมาของแง่สายและเกิดการขาดกาแฟและบุหรี่ทำให้คณะนายจ้างทั้งสามรู้สึกกระสับกระส่ายเล็กน้อยเพราะนิสัยอันเคยชินส่วนพรานใหญ่ไม่เดือดร้อนอะไรนะักเพราะมีบุหรี่ใบตองแห้งใช้มวนด้วยยาฉุนซึ่งขอแบ่งมาจากโต๊ะถะอย่างพอเพียงเชษฐากับชายยันเห็นข้าอดอยู่ไม่ได้ก็ขอเอาไปมวนสูบบ้างแก้ขาด ทำให้นักมนุษย์วิทยาคนสวยกระสับกระสายยิ่งขึ้นนี่น้ำใจจะไม่ให้ฉันสูบบ้างเชียวเหรอหล่อนถามอ่อยๆมองดูสามชายผู้กำลังพ้นความอยู่ขงมงด้วยความรู้สึกกระหายระผินหันไปทำหน้าตื่นถ้าคุณหญิงต้องการบ้างก็เชิญเลยครับผมไม่กล้าให้ทีแรกเพราะกลัวว่าคุณหญิงจะสูบไม่ได้มันเป็นบุหรี่ปาฉุนทับตาเลทีเดียวแหละว่าแล้วเขาก็มวนส่งมาให้หล่อน ดาลินถือเครื่องอยู่ในนิ้วแล้วส่งเข้าปากเน้นไว้ได้วยฟันหน้าพลานใหญ่ซ่อนยิ้มจุดไรเตอร์ป้องส่งมาให้พอหล่อนดูดปลายบุหรี่ติดไฟควันผ่านเข้าไปในลำคอก็สำลักจนหน้าแดงทะึ่งพูดขึ้นลิโปรนคว้างทิ้งโดยเร็วพร้อมกับไอจนตัวงอเชิฐากับชายยานหัวเราะลั่นออกมาด้วยความขบขันเพื่อนชายช่วยรูปหลังให้หญิงสาวยังไอติดติดกันอยู่อีกเป็นเวลานาน้าตาไหล โอ้ยไม่ไหวสิกาแลตตาโตถานี่สูบกันเข้าไปได้ยังไงยิ่งกว่าซิก้าหรือยาเส้นซสีอีกไม่มีจะสูบก็ต้องล่ อ, อ ก, กันไปตามเรื่องดีกว่าจะทนเปรี้ยวปากอยู่ฉันกับเชษฐาน่พอไหวหรอกแต่เธออุตรีปไปขอเขาสูบมั่งทำไมชัยยานพูดพรางหัวร้อพรางดาดินสั่นศีษะช้า ช, า ช, าชา้าถอนใจเฮือกมองดูบุรีไปตองแห้งที่รอนปากระเด็นไปด้วยความเข็ดขยาดบ่นอุบก็จะไปรู้หรือ ว่ามันจะฉุนเฉียวถึงขนาดนี้เห็นสูบกันหน้ามีรสชาติดีออกอดบุรีมาตั้งหลายชั่วโมงแล้วกาแฟก็ยังไม่สำคัญเท่าบุรีทนอนอยพี่ชายบอกยิ้มยิ้มทำยังไงได้ล่ะมันถูกน้ำเสียหมดถึงค่าใหญ่ของเราก็ได้สูบเองแหละระหว่างนี้ถ้าอยากสูบจริงๆก็ต้องล่อตาโทษถะไปพงังพาหลอนหันไปดับความกวนกวายด้วยบรั่์ดีที่ยังพอเหลืออยู่ชายยันสงสาร ก็เลยคว้าย่ามเครื่องหลังใบหนึ่งขึ้นมาลือครู่เดียวก็หยิบหมากฝรั่งออกมาส่งให้อา้าวเครื่องบริหารกลามของเธอนี่ยังไงนะมันยังพอเหลืออยู่บ้างเอาไปเคี้ยวพลางๆสิเป็นคนหยิบใส่ย่ามมาเองไม่ใช่หรือดาลินดื่มตากว้างยิ้มออกมาได้ดีจริงชา ย, ยานยังอุตส่ามีเหลืออยู่อีกเหรอฉันลืมมันสีอย่างสนิทมันช่วยให้หา ย, ยาบุหรีได้ดีทีเดียวแหละขอบใจมาก หล่อนรับกล่องหมากฝรั่งไปแกะใส่ปากแล้วส่งแจกจ่ายเวียนไปให้พี่ชายและชายยันแต่พอถึงรัอพินก็เลิกคิ้วถามว่าพรานใหญ่เห็นจะไม่ชอบกับงใครบอกอีกฝ่ายหนึ่งพูดท้วนหน้าตาเฉยแล้ว่วยกล่องหมากฝรั่งไปจากมือของหล่อนแกะออกเทใส่ปากทีเดียว3 m, เม็ดเคี้ยวกลุม้ลมๆกำลังอยากของหวานๆอยู่ทีเดียวเชถากับชายยันหัวเราะชอบใจแต่ดารินยักไหลบนเบ า, เบา คนไม่มีมารยาทจะขอดีๆก็ไม่ได้แย่งไปต่อหน้า ต, ตางั้นแหละชายยานยกนาฬิกาข้อมือขึ้นดูเอสองคนนั้นป่านนี้ทำไมยังไม่กลับมาอีกไปตั้งร่วมชั่วโมงแล้วไม่ต้องเป็นห่วงหรอกครับประเดี๋ยวก็มาเองระพินตอบพรางขยายกองไฟสำหรับผิงเข้ามาสุมเพิ่มเติมในบริเวณที่จะอาศัยนอนเพื่อช่วยความอบอุ่นขึ้นอีกสงสัยว่าแง่ทรายกับเกิดจะไปเอารังพึ่งมาได้ยังไง ใต้คบเพลิงที่จะใช้ลนก็ไม่มีพลาดพรางยังไงแล้วก็เป็นได้งอมพรามกันมาละพึ่งหลวงตัวขนาดมแมลงผู้ทั้งนั้นโดนต่อยเขาตัวเดียวก็แทบชักเชิดถาบ่นเบาๆเริ่มรู้สึกเป็นห่วงคนทั้งสองอย่างไรพิกลแต่พรานใหญ่อยู่ในอาการใจเย็นเช่นเดิมการเอารังพึ่งมันก็เป็นศิลปะอีกช น, นิดหนึ่งของพวกชาวป่าครับหนีไม่พ้นเวทมนต์คาถาหรือเครตพิธีการอีกตามเคยนั่นแหละ แง่ซ า, ายเป็นคนมากลิมกะเลียขอไปเอาพึ่งเองก็แปลว่าเสือนั่นจะต้องชำนาญดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นใจเย็นได้คืนนี้เราได้กินน้ำพึ่งกันแน่ๆดีเหมือนกันครับจะได้เป็นยา ก, กำลังเขามีวิธีเอาลังมันได้ยังไงนะผมไม่เคยเห็นสักทีชา ย, ยันไม่วายข้องใจก็หลักธรรมดาง่งายๆแล้วปีนตอบเรื่อยๆคว้าใบาชุมเห็ดที่หักกิ่งถือติดมือมาด้วยระหว่างทางขณะที่ผ่านสะบนยอดเขา ย่างเข้าไปในกองไฟจนไหม้เกรียมแล้วใส่ลงไปในต้มในน้ำต้มที่กำลังเดือดชงแทนน้ำชาอาศัยความมืดของกลางคืนเข้าช่วยปีนขึ้นไปเอาไฟลนรังมันพอถูกความร้อนเพื่อพึ่งจะบินหนีออกจากรางหมดทิ้งรางไว้พร้อมกับตัวอ่อนจากนั้นก็ปาดรางใส่ถุงผ้าที่เตรียมเอาไว้พอคันก็จะได้น้าหวานของมันมากน้อยก็ขึ้นอยู่กับรางใหญ่หรือเล็ก ส่วนใต้หรือคบเพลิงที่จะใช้ลนก็ไม่ต้องห่วงพวกนี้ชำนาญมากหาได้ถมเถไปในป่ายางไม้บางชนิดก็มีลักษณะเป็นเชื้อเพลิงติดไฟอย่างดีใช้แทนใต้ได้อยู่แล้วหรือรังพวกแมงชันนลงก็ใช้ได้ติดไฟลุกโชน ด, ดีนะักแล้วก็หัวเราะเงยหน้ามองดูคณะนายจา้าบอกต่อมาว่าแงซ า, า ย, ยังไม่เก่งจริงในเรื่องนี้เพราะถือโอกาสไปเอารังของมันในตองกลางคืนโดยอาศัยความมืดเข้าช่วย ผมเคยเห็นคนเก่งๆปีนขึ้นไปเอากลางวันแสกเลยไม่ต้องใช้ไฟลนแม้แต่นิดเดียวนอกจากเศษคาถาอะไรพึมพำอยู่เท่านั้นพึ่งทั้งรางบินตอมหึ่งอยู่รอบตัวจนมืดไปหมดแต่ไม่มีตัวไหนจู่โจมเขาต่อยเลยจนกระทั่งเขาปาดรางลงถุงแล้วตายต้นไม้กลับลงมาพึ่งทั้งฝูงก็ได้แต่บินตอมหึ่งอยู่เช่นนั้นและในที่สุดก็ค่อยๆบินแตกกระจัดกระจายกันออกไปเองปล่อยให้รางถูกเอาไปได้ชนิดหวานคอแรง้ง เช่นคุณเป็นต้นงั้นหรือดาลินเอามือเท้าคางถามมาจอมพรานกรื่น้ำลายลงคอสันหน้าไม่ใช่ผมหรอกครับหนานพรายนะ่ะน่าเสียดายนะที่หนานพรายร่วงรับไปเสียแล้วไม่งั้นพวกเราคงจ้างหนานพรายมาเป็นพรานนาทางแทนที่จะจ้างคุณราคาก็าจ้างก็คงจะถูกกว่าด้วยก็น่าเสียดายอยู่หรอกครับที่หนานพรายตายเสีย ทำให้พรานใหญ่ที่สุดของประเทศไทยคนหนึ่งต้องหมดสิ้นไปและทําให้ผมเองก็ยังต้องระลึกถึงแกอยู่จนกระทั่งบัดนี้แต่ถึงแม้ว่าแกจะยังมีชีวิตอยู่ก็อย่าหวังเลยว่าแกจะยอมเป็นพรานนําทางให้หากรู้จุดประสงค์ว่าให้นําไปยังเทือกเขาพระศิวะทําไมหนานพรายรู้อะไรได้ดีกว่าผมรู้ว่าความตายเป็นประตูเดียวที่รออยู่ข้างหน้าในการมุ่งเทือกเขาพระศิวะ เพราะฉะนั้นถึงแกอยากจะได้เงินสักขนาดไหนแกคงไม่เอาเพราะเงินจะมีประโยชน์อะไรในเมื่อแกรู้ว่าแกไม่มีโอกาสได้ใช้มันคุณจะรู้ได้ยังไงว่าแกจะปฏิเสธไม่ยอมรับจ้างผมเคยชวนแกแล้วชวนแกเพื่อจะบุกบั่นไปให้ถึงที่นั่นนานพายเป็นคนบอกผมเองว่าขุมเพชรอันมหาศาลเหนือกว่าสมบัติใดๆในโลกรอเราอยู่ที่หลังเทือกเขาลูกนั้น นั่นมันเป็นราคาและสิ่งล่อใจที่มีมูลค่าสูงเสียกว่าค่าจ้างใดๆเสียอีกแกตอบผมว่าถ้าไปก็ตายและถ้าตายแล้วจะมีประโยชน์อะไรอันนี้เองที่เป็นคำตอบได้ว่าต่อให้หนานพายมีชีวิตอยู่และได้พบกับคณะของคุณหญิงแกก็คงไม่ยอมรับจ้างอย่างเด็ดขาดไม่ว่าจะให้ราคาสูงแค่ไหนคาพูดของเขาเนิบๆราบเรียบอย่างการสนทนาธรรมดา